ให้รักษาความสงบไว้คอยรู้ความรู้สึกของเราเองรู้สึกสงบก็ให้มีความรู้สึกว่ากิจเราสงบเาก็คอยรู้อยู่คนเราอยากร่ําอยากรวยอยากมั่งมีสีสุขอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี อยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนมีเงินมีทองแต่เราไม่ได้ทำบุญไว้มันก็เกิดไม่ได้ถึงอยากอยู่มันก็ไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าเราทำบุญไว้มันต้องเกิดไม่เกิดด้วยวิธีใดก็ต้องเกิดโดวยวิธีหนึ่งมันเป็นอย่างนั้น ผู้ให้ทานเกิดชาติใดพบใดก็ไม่อดไม่อยากไม่อยากไม่จนเกิดมาก็มั่งมีสีสุขไม่ขัดสนด้วยประการต่างๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ถึงอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาไว้ถ้าทำเอาไว้แล้วถึงเกิดครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเทศว่า บุคคลให้ทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่นบุคคล น, นั้นเกิดมาแล้วเป็นคนมีเงินมีทองมีลาบมีสักหลามากแต่ไม่มีมิตรไม่มีบริวารไม่มีมิตรไม่มีบริวาร ถ้าผู้ใดทำบุญไว้และได้ชักชวนคนอื่นทำบุญด้วยบุคคลนั้นเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าพบใดชาติใดก็จะเป็นคนร่ำคนรวยมีมิตรมีสหายมีเพื่อนมีลูกมีเจ้ามีบริษัทบริวารมากมีเพื่อนมากมีคนรักมาก พะเราชักชวนคนอื่นด้วยส่วนบุคคลใดไม่ให้ทานเลยและก็ไม่ชักชวนคนอื่นเลยบุคคล น, นั้นเกิดมาไม่ว่าพบใดชาติใดเขาก็ต้องเป็นคนจนไญาติขาดมิตร ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีบริษัทบริวารแต่ถ้าบุคคลใดชักชวนคนอื่นอยู่ไม่ทำบุญไว้โัวค่าสมบัติก็ไม่เกิดว่าเขาไม่ทำบุญไว้แต่บริวารเขามีมาก แต่ถ้าบุคคลใดทานก็ไม่ให้สักชวนก็ไม่สักชวนบุคคลนั้นเกิดมาแล้วเป็นคนยากจนอืและยังไร้ญาติขาดมี ด, ด้วยอันนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้ทานด้วยสักชวนขึ้นด้วยบุคคลนั้นร่ํารวยและมีมีดบริวารมากบุคคลที่ ไม่ให้ทานเลยไม่ชักชวนคนอื่นเลยบุคคลนั้นเกิดขึ้นมาแล้วอยากจนคนแค้นอดอยากอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ไม่มีมิตรไม่มีบริวาร น, นี่แหละแต่ถ้าบุคคลใดชักชวนคนอื่นแต่ว่าตัวเองไม่ทำบุคคลนั้นก็มีบริวารมากแต่อยากจนถ้าบุคคลใด ให้ทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชือชักชวนบุคคลอื่นเลยอันนี้มีทรัพย์มากแต่ไม่มีบริวารพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้อาตมาก็จํามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนี่แหละคนทำบุญทำกุศลไว้มากน้อยแค่ไหนปานใดมันก็ให้อา น, นิสงส์แก่เรา เราเกิดมาจะไม่ยากจนคนแค้นอดอยากแม้ในชาตินี้พบนี้เราก็จะเป็นคนมีเงินมีทองไม่อดไม่อยากเพราะเราได้ทำบุญไว้ได้สร้างกุศลไว้ได้ทำความดีเอาไว้การทำบุญนี้ก็ต้องเลือกที่นาชาวนาทำนาเขาก็เลือกที่ ถ้าที่นาดีข้าวก็งามก็ได้เยอะได้ข้าวเยอะผู้ทำบุญก็เหมือนกันอยากได้บุญมากเราก็ต้องเลือกที่นาเหมือนกันว่านาบุญพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายนาบุญ พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพุทธชนอยู่แต่ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินัยถือว่าเป็นนาบุญเหมือนกันพระสงฆ์ที่มีคุณธรรมโสดาบั น, นมีคุณธรรม สกิทาคามีมีคุณธรรมอนาคามีมีคุณธรรมเป็นพระอรหันต์เราทำบุญทำกุศลกับท่านเหล่านี้ย่อมได้บุญมากได้อานิสงส์มากส่วนคนไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยของพุทธเจ้า เราไปถามบุญเราก็ได้บุญน้อยก็นานาที่ไม่มีนม้ำนาไม่มีนม้ำนาไม่ดีมียาเยอะราคาก็เป็นยาโทสะก็เป็นยาโมหะก็เป็นยายาขึ้นถึงดำไว้แล้วยาก็ขึ้นก็ไม่งาม เหมือนเราทำบุญกับพระที่ทุศสลเราก็ได้บุญน้อยไม่ได้บุญมากเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดจึงไปหาครูบาอาจารย์ที่ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมากมีผลทำบุญแล้วได้บุญเยอะทำน้อยแต่ได้ผลมากถ้าเราทำมากยิ่งได้ผลมากอันนี้สำคัญอยู่ ถ้าเราไม่ทำบุญเลยนี่นะลำบากจะเกิดอีกเราก็เลือกเกิดไปได้จะเกิดในตระกูลที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินสวัสดิมากพอแลุงโภข้ามากมีทรัพย์สินเงินทองมากเราก็เกิดไปได้เพราะบุญเราไม่มีเราก็ต้องไปเกิดเป็นคนยากคนในตระกูลคนยากคนจนลำบากทุกข์ยากอาณาถา ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินสมบัติเราไปทำบุญกับคนที่มีสินมีทรัพ์นี่มันจเจริญท่านบอกไว้เลยว่าทำบุญกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ได้นีสง์มากได้บุญได้กุศลมาก แต่เราก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ตัวท่านท่านก็รู้ของท่านอยู่ว่าท่านเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ของโลกถ้าเขามาทำบุญด้วยก็ได้บุญเยอะนั่นเราจะหาคนที่เป็นพระญาบุคคลเราจะหาได้ยังไง อันนี้มันต้องรู้ด้วยมันไม่ได้พูดหรอกครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่กล้าพูดเพราะท่านได้บรรลุมากผลฉชนั้นซชนี้แต่เราก็สังเกตเอานี่แหละให้พิจารณาพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย เป็นหน้าบุญของโลกคนทำบุญได้บุญเยอะคนทำบุญได้บุญมากมีกุศลมากมีบารมีมากคนที่ไม่ให้ทานไว้เกิดมาก็ยากจนอยากร่ำอยากรวยก็ไม่ร่ำไม่รวยเพราะเราไม่สร้างบุญสร้างกุศล ไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทในการให้ทานไม่ประมาทในการรักษาศีลไม่ประมาทในการทำเพียรภาวนาให้ทานเนี่ยมันชีข้ขึ้นมาเบื้องต้นเลยคนเราทําขี้เหนียวอยู่ให้ทานไม่ได้อยู่จะไปสลากิเลสที่หยาบหนาต่างๆจะสละได้ยังไง ขนาดกิเลสภายนอกเท่านี้เรายังชำระไม่ได้เมื่อเราชาระไม่ได้จะให้ภายในมันสะอาดบริสุทธิ์มันก็ยากอยู่เราก็ต้องเป็นคนที่มีใจเป็นกุศลซะก่อนใจเราเป็นกุศลใจเราเป็นบุญเราถึงทำบุญได้ใจเราไม่เป็นบุญเราจะทำบุญได้ยังไง ศรัทธาเราไม่มีความเลื่อมใสเราไม่มีถ้าเรามีศรัทธามีความเลื่อมใสมีใจดีความคิดดีคำพูดดีการกระทําดีในที่ตัวของเราเราก็ได้บุญได้กุศลมากได้ภาระนิสงมากถ้าเรามีศรัทธานะ เพ น, นั้นจึงสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในตัวของเราศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระตรัสรคือพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์อผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเราต้องเลื่อมทำความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นก่อนแล้วเราถึงบริจาคทาน หรือว่าทำบุญทำกุศลถ้าเราไม่เลื่อมใสแม้จะให้มากทำบุญไว้มากแต่ก็ได้ผลน้อยเหมือนข้าวกล้าพันไม่ดีข้าวกล้าพันไม่ดีให้เราปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นในใจของเราซะก่อนว่าเราเลื่อมใสศรัทธา เรามีความเลื่อมใสเรามีความศรัทธามีความเชื่อเชื่อว่าทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเรามีความตั้งใจหรือว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ในพระสองค์เจ้าผู้ที่จะรับทานของเราเราตั้งความเชื่อความเลื่อมใสอย่างนี้ขึ้นมาจิตใจของเราก็สงบสุขเย็นสบายปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจทำน้อยก็ตามทำมากก็ตาม เจตนาที่เราให้ในเบิกต้นนี้ต้องทำให้มีขึ้นมาคือให้มีศรัทธาเลื่อมใสพอเราทำลงไปที่นี้เราก็เลื่อมใสอยู่ทำแล้วแล้วเราก็ยังเลื่อมใสอยู่บุญของเราแหลงมากบุญของเราดีมากอุษล ส, สินทานของเรานี่สูงส่งให้บุญให้คุณความดีเรามากมาย ไม่ว่าเราจะเกิดในพบใดชาติใดก็ตามเราจะได้รับความสุขความเจริญตลอดไปไม่ถูกต่ําท่านจึงให้ตั้งใจไว้ในการทําบุญให้คิดว่าเราทําบุญกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นเพื่อนของเราที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่ก็ตามก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีมากมีผลอยู่ในตัวเราทํากับผู้ที่มีมากมีผลเราก็ได้บุญได้กุศลมากอทํากับพระกับสงฆ์ที่มีบุญมีบรารมีมีคุณธรรมความดีอยู่ก็ได้บุญมากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านให้ตั้งใจในการจะทําบุญพอทําให้กับเราเองไม่ใช่จะทําให้คนอื่น ถ้บุรพิทส่วกุศลให้คนนั้นคนนี้เราก็ว่าไปแต่เขาจะรับได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่แท้ที่จริงมันทําให้เรานี่เองเราเป็นผู้ได้กองบุญ น, นั้นต์เราเป็นผู้ถึงกองบุญนั้นนั้นเราเป็นผู้มีทรัพย์สินสมบัติเพราะกองบุญนั้นนั้นนี่ให้เราทําให้เราตั้งใจให้ดีบุญจะเกิดขึ้นแก่เรา ความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นแก่เราเราทำมาหากินยังไงมันก็มีทรัพย์ขึ้นมามีเงินมีทองขึ้นมาเพราะเราได้ทำบุญไว้มันไม่ขาดสนความขาดสนมันอยู่ที่เราไม่ได้ทำไว้เราไม่ทำไว้มันก็ขาดสนเขามีเราก็ไม่มีเราก็จนเราก็ลำบากเหมือนชาวบ้านทั่วไปนี่แหละ เกิดเป็นวันมาไม่รู้ว่าทำอะไรไล่แต่บัวแต่ควายไปเลี้ยงแล้วคำก็กลับมานอนกินแล้วก็นอนรอวันตายแต่ว่าบุญทานการกุศลไม่รู้จักไม่เคยคิดทำบุญเลยจะใส่บาตรพระสักครั้งหนึ่งก็ทำยากแต่ซื้อเหล้าซื้อเบียมากมาย ทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรทำทางชิบหายให้ตัวเองซื้อหวยซื้อบัตรซื้อเบอร์ น, น, นันนี่อยากรวยมันก็ไม่รวยทำไมถึงไม่รวยอ้าวก็เพราะไม่ได้ทาบุญไว้มันจะรวยได้ยังไงฮอมันเป็นอย่างนี้อยากรวยอยู่ซื้อหวยถูกนึจะมาสร้างบวชช่วยลองพ่อว่าไง ถ้าสู้หวยถูกระงวันที่หนึ่งจะมาสร้างบวชช่วยหลวงพ่อหลวงพ่ออันนี้สร้างบวชร้อยปีก็ไม่เสร็จร้อยปีก็ไม่เสร็จบวชหลวงพ่อรอเงินหวยอันนี้คืออบายามุกเราต้องเว้นได้อย่าไปทำอบายโมุกทางเสื่อมปากทางแห่งความเสื่อม พรบว่าเสื่อมคือมันซึมออกมาแต่ไม่รู้ว่ามันออกมาตรงไหนรูไหนไม่เห็นเห็นแต่ว่ามันออกมามันชุ่มบ อ, อกว่าข้างนอกนี่ในที่สุดน้ำในตุ่มก็ออกหมดไปเลยเนี่ยมันเป็นงานการเล่นเลขเล่ น, ลนหวยก็ดีบัตรเบอร์ก็ดีหรือหลวงพ่อพูดไปเขาออกตัวนั้นออกตัวนี้คิดไว้ในใจอันนั้นก็ไม่ถูก เพราะลูกพ่อไม่มีเจตนาให้หวยถ้ามีเจตนาให้หวยก็ผิดพวินัยบอกว่าห้าสี่ด้วออก็ผิดพวินัยสียห้าด้วยเนี่ยกลับกันก็พร้อมที่จะไปซื้อซื้อไม่ได้หรอกไม่รวยหรอก ซื้อหวยเธอเจ้าค้าจะได้ร่ำรวยรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเอาถ้ามันขายอยู่มันก็ซื้อบ้างถีงมันรว่ามันเป็นเศรษฐีมันก็ซื้อบ้างสิงสแต่นี่มันก็แบรกไปตาบอดก็เอาไม้คําทางไปบอกว่าอยากร่ำอยากรวยซื้อบัตรซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับ ที่นี่มีรางวัลที่หนึ่งเอาทำมันรั่วมีรางวัลที่หนึ่งมันก็เอาซะเลยสิเนี่ยมันก็ไม่เอามันไม่ได้ท่านว่าปากทางแห่งความเสื่อมมีเงินมีทองซื้อหวย ไ, ได้แต่มีเงินทําบุญให้เจ้าของทําไม่ได้นั่นปากทางแห่งความเสื่อมคือไม่มีทรัพย์สินสมบัติ มีโยมคนหนึ่งรู้จักอาตอมาแต่ก่อนนี้มีมือปืนไปด้วยตลอดนั่งรถเบน์โอ้มีเงินมีทองมากแต่ว่าระยะหลังมาเขาก็เล่นการพนันแหะเล่นการพนันมีสีอะไรอาตอมาเขาไปรู้สีแดงสีขาวมีสีเหลืองสีดำอะไร คาสิโนหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เขาจะติดงอมแงมเลยขึ้นรถนี่ไม่เวลาจะไปที่นั่นไม่ได้ไปคันรถคันเดิมนะเปลี่ยนรถสองสามคันถึงเข้าถึงที่เล่นการพานันแบบนั้นยี่สิบปีให้หลังปัจจุบันนี้นั่งรถพิลัก่าเก่า ขอติดตามมากับเพื่อนมาเยี่ยมอาตอมาอืโอ้โหแต่ก่อนเป็นคนรวยเงินมีทองมากไปไหนไปไหนมีบริวาแรแวดล้อมแต่ปัจจุบันนี้เป็นคนยากจนงานก็ไม่มีทำหาเล่นการพ น, นันเที่ยวตรงนั้นไปตรงนี้ ทุกวันนี้เป็นคนยากจนลนะเป็นคนจนเป็นคนอดอยากไม่มีเงินไม่มีทองมาขอยืมอัตมาสักสามหมื่นว่าไนอัตมาบอกว่าโอยไม่มีเงินอัตมาก็ไม่มีเงินมากแต่เงินที่สร้างนั้นสร้างนี้ที่ญาติโยมบริจาคมามันมีอยู่แล้ว ก็อให้ไม่ได้เงินส่วนตัวที่จะใช้จ่ายในแบบชนิดสุรุยสุล่ายนี่ไม่มีมีแต่เงินสร้างวัดจ้าเงินสร้างวัดให้เขาเขาก็จะเป็นเปรตเขาก็จะตกต่ำเขาจะยิ่งกว่าที่เขาเป็นอยู่่เราจะให้ได้ยังไงเราก็คิดถึงบาปกรรมที่เขาจะต้องรับอีกต่อไปเราก็บอกเงินส่วนตัวตะมาไม่มีมีแต่เงินสาหรับที่จะทา บสทำอะไรนี่แหละญาติโยมเขาบริจาคมาทำโบทถ์ทำอะไรทำกุฏิกุฏางก็ต้องทำตามนั้นให้เขาไม่ใช่ว่าจะเอาเงินนั้นไปใช้ทางอื่ น, น, นแต่คนนั้นทุกวันนี้ยากจนมากอันนี้เรื่องปัจจุบันชาตินี้เรื่องอดีตชาติคือตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเรายัง ทรงพระชนอยู่เลนมีบุตรเศรษฐีบุตรเศรษฐีนั้นเป็นคนรวยพ่อแม่ลวงรับดับขันไปเขาก็แต่งงานให้ลูกแล้วล่ะแล้วลเขาจึงมาตายพอตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็เป็นของลูกลูกก็ไม่เรียนวิชาความรู้อะไรลูกเราไม่ได้เรียนวิชาความรู้อะไร เรียนแต่หัดร้องเพลงหัดสนุกสนานเต้นลัมนั่นนี่ตามภาษาคือว่าไม่จําเป็นไม่ต้องลูกให้ลูกเราลำบากต้องไปเรียนนั่นคิดไปอย่างนั้นก็ไม่ให้ลูกเรียนหนังสือลูกผู้หญิงก็เหมือนกันพ่อแม่ก็คิดแบบเดียวกันพอแต่งงานกันแล้วพ่อแม่ลวงลาดับขันไปก็มีเงินอยู่คนละห6 0สบ 160โกรหนึ่งร้6 0บโกดมีเงินน่ะทั้งสองคนน่ะมีเงินอยู่หนึ่งสบโกดแต่ไปกินเหล้าพวกนักเลงมันลวงไปกินเหล้าชวนกินเหล้าดูครั้งแรกก็กินของเขาก่อน ต่อมาก็พวกท่านไม่ต้องลำบากเรามีเงินจ่ายทีละร้อยสองร้อยทีละพันสองพันให้รางวัล น, นั้นบ้างให้รางวัล น, นี้บ้างในที่สุดทรัพย์ของตนก็หมดแปดสิบโกรหมดรวมทั้งของเมียด้วยก็หมดเงินหนึ่งร้อยหกสิบล้านหกสิบโกดธย หมดขายบ้านขายที่ขายสัตว์ขายทุกสินทุกอย่างเพื่อจะกินเหล้ากินเหล้าสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งผัวทั้งเมียพออายุแก่ลงมาทรัพย์ก็หมดไปพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนนี้อถ้าออกปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังว่าอยู่วัยหนุ่มจะเป็นจะเป็นผ้าอรหรันจะได้เป็นผ้าอรหรันเมียจะได้เป็นพผ้านาคามีถ้าออกปฏิบัติธรรมในเวลาอายุอยู่ในวัยกลางคือตั้งแต่30สบถึงหกสิบ เขาก็จะได้เป็นพระอนาคามีถ้าออกปฏิบัติธรมนะเมียของเขาก็จะได้เป็นสกิทาคามีวัยสุดท้ายวปแก่ตั้งแต่หกสิบขึ้นไปจนถึงร้อยปีถ้าเขาออกปฏิบัติเขาก็จะได้เป็นพระสกิทาคามีเมียก็จะได้เป็นพระสวัสดิบัน แต่นี่ตอนนี้เหมือนนกกรเรียนแก่ปีข ก, กจะบินไปไหนก็ไม่ได้อยู่กับเปลือกตมอยู่กับโคนกับเรนเขาไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินชมบัติเลยเพราะเล่นการผานันเพราะประพฤติอบา ย, ยมุกในที่สุดเขาก็บ้านเจ้า เจ้าของเงินเขาก็ไล่ออกจากบ้านบ้านก็ไม่อยู่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอยู่ไม่มีกินอายุวัยสุดท้ายแล้วใกล้จะถึงความตายแล้วถือกระเบื้องเที่ยวขอทานทั้งหัวทั้งเมียวันหนึ่งไปแอบอยู่ข้างๆสลาขอกินเศษอาหารของ พระของเนนทุกยากอนาถาพราพุทธยาว่าบวชก็ไม่บวชไม่ได้จะตั้งตัวก็ตั้งตัวไม่ได้มีตลอวันตายนั่นซับแปดสิบโกดสองคนผัวเมียหนึ่งร้อยหกสิบโกดมากที่สุด เงินเจ็ดสิบแปดสิบเงินร้อยร้อยล้านันล้านพอเล่นการพานันพอเล่นอว า, ายามุกกินเหล้าเมาเบียร์ร้องลำมทำเพลงบุญก็ไม่เคยทำกรรมดีก็ไม่เคยสร้างไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เลย เงิ น, นกกหนึ่งร้อยหกสิบโกรดนั่นถ้าทำบุญสักโกรดหนึ่งหรือรลยล้านลองทำดูสิเขาจะตกต่ำไหมบุญกุศลนั่นต้องอุ้มชูเขาไปให้เจริญลูกเรืองได้แต่นี่เขาทำไม่ได้ มีเงินล่ำรวยบางมีสีสุขพะพืชงได้นนทางไม่ดีก็ยากจนได้ฐานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่ปฏิบัติจะเอาความดีความเจริญมาจากไหนบุญเราไม่มีกุศลเราไม่มีบารมีเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะหาความสุขจากบุญจากกุศลได้อย่างไร พอบุญไม่ได้ทําไว้เลยเวลาเราร่ำรวยมั่งมีเราไม่คิดถึงบุญถึงกุศลไม่คิดถึงความความดีความงามเลยเวลายากจนแล้วถึงจะคิดอยากทําบุญคิดอยากทําบุญทํากุศลอยากสร้างสมอัติมีมันก็ทำไม่ได้ แถมจะเป็นคนแก่ลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีเขาไม่มีใครอยู่ใกล้เพราะเราเป็นคนจนนี่แหละก็ไจะไปเที่ยวกินข้าวก้นบาทพระมีชีวิตอยู่ไปเป็นวันรอวันตาย จะปฏิเดีรว่าทำก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้จะให้ทานก็ไม่ได้จะรักษาชิ้นก็ไม่ได้พราะมันหมดสภาพแล้วเรื่องในธรรมบทนี่ละเอียดมากเรื่องนี้พวกมหาพเรียนสามประโยคนี่ต้องเรียนถ้ามาเรียนถาม็จําได้นํามาเล่าให้ฟังนี่แหละแต่มันไม่ละเอียดเพราะมันจํำได้ไม่หมด แต่ก็พอเป็นคติได้ว่าคนเราไม่รู้จักทำบุญทำกุศลไม่รู้จักสั่งสมคุณงามความดีในภพนี้ก็ไม่เจริญภพหน้าก็ไม่เจริญแถมยังประพฤติอบายยมุกด้วยดื่มสุราเล่นการพรานันทำผิดต่างๆอันนี้ก็ ถึงความยากจนคนแค้นโอดอยากอนาถาไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้เลยพอบุญแม้น้อยหนึ่งเราก็ไม่ได้ทําไว้เราไม่ได้ทําบุญไว้เลยเราอยากมีมันก็ไม่มีเราอยากรวยมันก็ไม่รวยเพราะเราไม่ได้ทําบุญไว้เพราะะคนที่ทําบุญไว้เท่านั้นถึงจะมีความสุขถึงจะร่ํารวยถึงจะมีเงินมีทองถึงจะไม่ยากไม่จน นี่แหละให้ตั้งตนไว้ในทางที่ดีคือให้สร้างบุญสร้างกุศลไว้โอกาสที่ได้มาปฏิภาิธรรมกับครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้บำเพ็ญคุณธรรมไว้ครบทานแล้วก็ให้ศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเราปฏิบัติอย่างเต็มปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยจนใจสบายใจสบายทุกคน อ, ะอ่ะอ่าแต่ก็จะประมาทในการให้ทานเพราะว่าทานนั้นหนุนให้เรามีศีลหนุนให้เรามีทรัพย์ ทานศีลภาวนามันสูงขึ้นตามลำดับให้ทาบุญทำกุศลไว้อย่าประมาทว้ต้นก็อย่าประมาทว้กลางก็อย่าประมาทว้สุดท้ายก็อย่าประมาทให้ทาบุญทำกุศลไว้ให้มากตามสติกาลังของเรายถสาสติยถสาพลังตามกำลังของเรา เรามีกำลังเราก็ทำมีกำลังมากคือกำลังทรัพย์กำลังศรัทธามากเราก็ทำมากเรามีกำลังน้อยเราก็ทำน้อยแต่อย่าประมาทในการทำบุญกุศลอย่าประมาทในการสร้างสมคุณงามความดีเราอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราทำบุญกุศลไว้เราจะมีความสุข ล, ลึกถึงเมื่อไรก็สบายใจ แ้ลึกถึงบุญถึกุศลเมื่อไหร่ก็สบายใจเบิกบานใจเหมือนอาตมาได้ไปทำกับหลวงตามหาวัวทำผ้าป่าไปทอดก็ได้ปัจจัยพอสมควรแต่ได้ทองส1สอสสอบาท ได้ทองไปร่วมท่านสามสิบเบาทคิดถึงบุญถึงกุศลที่ไหลใจสบายเย็นลงไปโอ้เราทำบุญไว้นี่มันไม่หนีไปไหนตัวนี่มาคิดถึงบุญถึงกุศลที่ไปทำไว้ช่วยชาติบ้านเมืองช่วยพระศาสนาจิตใจเราสบาย จิตใจเราสบายจิตใจเราเย็นคิดถึงบุญทั้งกุศลที่ไรจิตใจสื่ดบานขึ้นมาเลยนั่นเราทําไว้แล้วเราสร้างไว้แล้วกุศลของเราบุญของเราบารามีของเราเราได้ทำไ้มากก็าตามน้อยก็าตามเป็นผลให้เรามีความสุขความเจริญ บุญกุศลก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเราก็ดูสีวัดป่าราในโศกแต่ก่อนกุฏิมีอยู่ยี่สิบหลั ง, ห ล, งลลนนมมหลังอะไเว็กวัจจันนี้ญาติโยมมีศรัทธาทาขึ้นมีแต่ลังงาม ยกตัวอย่างเช่นของรองอธิบดีกรมประาสัมพันธ์โอ้ยงามมากเลยงามมากอะไรบุญที่ท่านทำไว้สร้างไว้ก็เกิดมาจากศรัทธาที่เรามีต่อครูบาอาจารย์ที่ทำไว้บุญกุศลมันแรงลย พอสร้างกุฏิคนนั้นก็จองสร้างกุฏิคนนี้ก็จองสร้างกุฏิกุฏิเต็มเพียบเลยสามารถพอเพียงกับผู้ปฏิบัติเป็นร้อยคนอยู่ได้คนละห้องสบายสบายอยางการบินไทยก็มาสร้างขึ้นเช่นกุฏิการบินไทยกำลังสร้างอยู่ตอนนี้มีตั้งสิบแปดห้องนอนครั้งแรกว่าจะเอายี่สิบบันเล็กไปก็เลยขยายออกเป็นสิบแปดห้องนอน มีห้องน้ำมีในตัวมีประตูมีแสงเข้ามีอะไรโห oh, ทำดีมากอ่านอย่าโยมก็ทำบุญทากุศลมันเกิดขึ้นได้ไงแต่ก่อนทำไมไม่เกิดก็เราไม่ทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญไว้เนี่ยทำบุญไว้น้อยทำก็นิดหน่อยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีพอเรามีบ้างเราก็ทำมากขึ้น พอทำมากขึ้นชักชวนคนอื่นทําด้วยมันก็มากขึ้นในที่สุดวัดเราก็มีกุฏิมากขึ้นต้องการนํากุฏิกุฏิก็มากขึ้นส่วนไหนไม่เต็มมันก็เต็มส่วนไหนไม่ดีมันก็ดีอย่างน้ําเราขาดคล้องเราก็ทําบุญน้ำํำต่อน้ําลงมาจากภูเขาลน สองกิโลต่อเข้าไปในบ้านอีกหนึ่งกิโลน้ำจากน้ำตกนะหมดเงินด้แปดหมื่น 80, ปรากฏว่าชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกสบายน้ำเปิดตลอดไหลทิ้งให้ไหลทิ้งไม่งั้นท่อมันจะหลุดน้ำมาจากน้ำตกบนภูเขาไนะหลเข้ามาในหมู่บ้าน มาที่วัดวัดแต่ก่อนไปขอความช่วยเหลือจากทางราชการเจ็ดวันเขาจะเอาน้ํามาส่งอัตมาเที่ยวทุดงไปไปเห็นว่าโอ้มันลาบากเนาะน้ําจะอาบจะใช้ก็ไม่มีแต่มันก็เป็นวัดอยู่ได้วัดก็พาอยู่ไม่ถาวรใครไปก็ไปพักแล้วก็หนีไปอัตมาก็ไปพักภาวนา ย, ยที่นั่นเอ้ย ก็เลยพี่นาดูาเออมันลำบากอย่างนี้ก็ลองถามเขาดูว่าน้ำที่ต่อจากน้ำตกมานี่จะทำได้ไหมเขาว่าทำได้ถ้ามีท่อมีอะไรอืมถ้าอย่างนั้นต า, า, าก็เลยชักชวนโยมทั้งดา่านทรายทึงโคกงามแล้วก็ลมเกา่าชักชวนญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์รวมกันได้เงินแปด0 0ื่นเก้ามืนนี่แหละต่อท่อลงมาเลยแบบนี้ ให้ชาวบ้านเป็นคนขุดขุดล่องถ้าไม่ขุดเดี๋ยวไฟป่าไหม้มันจะไหม้ท่อด้วยเลยขุดฝังดินลงมาเรื่อยๆต่อลงมาต่อลงมาจนถึงวัดแล้วก็เปิดไว้ให้คนไปเอาน้ำทางราชการจะเอาน้ำไปแจกจ่ายบ้านนั้นบ้านนี้ก็มาเอาที่นั่นบ้านนี้เราก็ทำท่อไว้ให้สำหรับรถเข้าไปจอดแล้วจะเปิดลงในถังได้เลยจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ แล้วก็ในหมู่บ้านก็ต่อขึ้นทุกบ้านเลยเดินท่อไปทั่วบ้านบ้านหัวนาบ้านแสงพาบ้านอะไรอีกสองสามหมู่บ้านในน้ำช้ทุ่งนาหมดหน้าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็เปิดน้ำเข้าน้ำก็ไหลไปตามทุ่งนาเนยต้องการให้มันไปที่ไหนมันก็ไหลไปที่นั่นถ้าเราปิดมันก็ไม่ไหลไปเขาก็ปลูก ถั่วลิสงปลูกนั่นปลูกนี่ผักโอ้ไม่อดไม่อยากเลยวะนี่เขาทําส้มผักมาก็โอ้อร่อยมากเลยออืข้าวโพดบ้างอะไรบ้างเขาปลูกขึ้นเต็มไปหมดตามทุ่งนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จน้ําก็มีให้หมดตลอดแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอันนิสงอันนั้นก็เกิดมาให้ทางราชการหรือญาติโยมลูกศิษย์ลูกหามาสร้าง น้ำไปให้พวกเราใช้สร้างถังแต่เราจังแต่น้ามันมันกินไม่ได้น้ํามันมีรสกร่อยๆอย่างนิดหน่อยกินไม่ได้น้าของเราแต่น้ําที่บ้านแสงพานายแหว่วนั่นโอ้อันนั้นมันกินได้เลยน้ําตกจากคู่เขากินได้เลยไม่ต้องคิดอะไรกินได้สบายอาบได้สบายใช้ได้อย่างสบายเปิดทิ้งไว้ก็ไม่หมดไม่ไปไหน ดีดีที่สุดเลยเราก็เริ่มดีเมเหมือนกันบุญกุศลนั่นก็เกิดขึ้นแก่เราตอนนี้ก็มีคนเสนอว่าอยากจะทําบุญเรื่องน้ําอทำทําบุญเรื่องน้ําจะต่อท่อน้ําจากบ้านสวนที่ไล่อ้อยทางโน้นทางตะวันตกหมู่บ้านน่ะจะขอที่เขาสักใกล้หนึ่งสําหรับเป็นที่วางถังวันอะไร สถาญาตโยมเขากําลังจะทําอยู่ตอนนี้รอวันรอเวลารอคมพร้อมสี่แสนห้าแสนนนเลยถึงจะเสร็จเลือดจะเป็นล้านนั่นแหะต่อท่อมาจากโน้นน้ํากินได้เลยน้ําที่นั่นใส ไ, ไม่เกิดสลิมไม่เกิดไข่น้ําเลยไม่เกิดตะไข่น้ําเลยก็จะต่อเข้ามาในวัดนี้เอาขึ้นแท่งใหญ่เราที่นี่ขึ้นแท่งไว้ที่โน่นด้วยที่นี่ด้วยถ้าไม่อยากเอาขึ้นก็ ปล่อยให้ไหลไปตามท่อที่มีอยู่กระจายอยู่ทั่ววัดเนี่ยท่านไัยบูรณ์นี่สามารถทำระบบน้ำได้อย่างดีเลยอัตมาไม่ต้องไปตามคิดออกหัวคิดนั่นนี่ท่านภับูรณ์ออกหัวคิดปับ๊บน้ำไหลทั่ววัดเลยอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากบุญจากกุศลที่เราทำไว้นั่นเองมันก็เกิดขึ้นทางราชการก็ช่วยเหลือทางญาติโยมก็ สำนักงบประมาณก็มาทำแท้งทำถังให้ก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันนี่แต่ก็เป็นกรรมไม่หมดไม่สิ้นกรรมอันนั้นใกล้งานเข้ามาท่อเหล็กที่นั่นก็แตกน้ำไหลออกก็ต้องมาเสียเงินอีกหนึ่งมื่นหนึ่งพันถึงแล้วเสร็จค่าแรงห้าพันค่าของหกพัน ก็แล้วเสร็จเลยได้นะใช้น้ำสะดวกเนี่ยเพื่อกูลแก่ลูกศิษย์ลูกหายญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมด้วยนี่ได้อย่างสบายต่อไปเรายิ่งจะได้น้ำอย่างสบายน้ำกินได้ด้วยแต่น้ำนี้กินไม่ค่อยได้มันมีสนิมนิดหน่อยแต่อาบได้ล้างห้องน้ำห้องส่วมได้ซักผ้าได้อันนี้เกิดจากอะไร เกิดจากบุญที่เราเคยไปทำไว้ให้ความสุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวก็เกือกูลลูกศิษย์ลูกหาครับคนมาปฏิบัติเพิ่มขึ้นได้มากแต่ก่อนนี้ม่ลำบากลำบากที่สุดเลยแต่มาอยู่ใหม่ๆยิ่งลำบากกว่านี้อีกเอาน้ำกินน้ำดื่มนี่ต้องไปเข็นมาจากบ้านนาอุดม น, น พอที่เข็นมากลางทางล้อมันแทบข้างหนึ่งนี่หาก็ตกแตกไปเขียนน้ํามากินมาดื่มลําบากแต่ปัจจุบันนี้ไม่ลํำบากแล้วน้ําขายก็มีน้ําที่เขามาขายก็มีคนมาบริจาคทําบุญไว้ก็มีนั่นเกิดจากอะไรสิ่งนี้เกิดจากบุญกุศลที่เราทําไว้ เราเกื้อกูลแก่โลกเราทําไว้เพื่อโลกก็จเจริญขึ้นดีขึ้นนั่นแหละสิ่งไหนที่เราทําไว้สิ่งนั้นเป็นความสุขแก่เราไม่ต้องรอไปพบหน้าชาติหน้าเพราะชาหน้าพบหน้าไม่รู้จะเป็นยังไง ร, รอปัจจุบันนี่แหละให้ผลในปัจจุบันนี้ให้ผลในชาตินี้พบนี้ปัจจุบันนี้ น, น, นั่นแหะเราสร้างวุญสร้างกุศลไว้เราไม่ประมาทในการทําความดีไม่ประมาทในการให้ทานไม่ประมาทในการรักษาศีลไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคนนผลนิพพานเพื่อความสุขเป็นอมตะ เราก็ฝึกหัดปฏิบัติธรรมบุญกุศลเหล่านั้นก็เกิดเกิดขึ้นเพราะเราทำความดีเอาไว้เราทำบุญทากุศลไว้เพราะนั้นคนที่ทาบุญทำกุศลไว้ย่อมได้ความสุขมากมายไม่ว่าชาตินี้หรือชาติต่อไปชาตินี้ก็ได้เหมือนกันได้รับผลบุญเหมือนกันชาติต่อไปก็ได้รับผลบุญเหมือนกัน บุญที่เราทำไว้นั่นเยให้ผลเป็นความสุขแก่เราเราทำอะไรไว้เราต้องได้รับผลของอันนั้นเราทำบุญทำกุศลไว้บุญกุศลย่อมเกิดขึ้นแก่เราคือเป็นความสุขแก่เราเป็นความเจริญแก่เราที่เล่ามาอย่างนี้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่าอยากจะไปลวกกระเปยมหรอกไม่ได้คิดหรอกคิดอยากให้รู้เฉยๆว่าทำบุญนั้นไม่ว่าพระว่ายม ถ้าทำบุญไหว้ก็ได้ความสุขเหมือนกันหลวงปู่แฟบท่านสร้างโรงพยาบาลอาตจจมาก็ไปบริจาคทรัพย์ทุกเดือนร่วม ท, ทำกับท่านแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทำส่วนทั้งหมดหรอกถ้าทำอะไรก็ถวายปัจจัยท่านเท่าที่มีเราที่ ม, มีเก็บพร้อมรอมริบไว้ได้แทําทำบุญกุศลก็เกิดขึ้นแก่เรา ทางโรงพยาบาลเขาก็มีงบให้เมื่อคราวที่แล้วก็ไปทอดผ้าป่าที่ศูนย์หัวใจศิริกิตก็ได้ปัจจัยห้าแสนกว่าอาตมาก็เอาไม่เอามาวัดสักบาทเลยมอบให้เป็นกองทุนมูลที่รักษาพระสงฆ์ที่อาพาธไปรักษาที่ศูนย์หัวใจ ก็ได้รับความอบอุ่นไม่มีเงินมีทองไปรักษาไม่มีเงินค่ายาไม่มีเงินค่าหมอก็ให้เอาเงินจากกองทุนนั่นแหละกองทุนมูลนิธินั่นแหละบริจาคช่วยพระสงฆ์เจ้าไปทำสองครั้งแล้วได้เงินล้านหนึ่งละล้านกว่าแลวมูลนิธิก็มีเงิน ก็ไปตั้งมูลนิธิไว้ขึ้นขึ้นไว้ที่สุนห์หัวใจมีคณะกรรมาการมีผู้บริหารงานอัตมาก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาก็คือวิธีหาเงินให้เขาไว้สำหรับพระเนนที่ไปรักษาพยาบาลหรือว่าญาติโยมูกทุกข์ได้ยากที่ไปรักษาพยาบาลแล้วไม่มีเงินกลับบ้านหรือไม่มีเงินค่ายาก็ให้ได้ก็บริจาคให้ได้ บุญกุศลนั้นเกิดเพราะเราทำไว้นี่แหละเป็นอย่างนี้แหละการทำบุญ น, นึกถึงบุญกุศลที่เราทาไว้ใจเราสบายว่าเราได้ช่วยคนเราได้สร้างไว้เพื่อพระพุทธศาสนาสร้างไว้เพื่อโลกกิจใจเราก็สบายถ้าเราไม่ได้ทำไวหนูแห้งเหี่ยว ไม่มีเงินมีทองไม่มีทรัพย์สินสมบัติทำอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำไ้ด้วยเหตุนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายพิจารณาถึงความจริงว่าคนเราสร้างสมคุณงามความดีไม่ได้ทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อตัวเราเองมันเกิดขึ้นกับเราเพราะเราเป็นคนทำบุญยอบเกิดขึ้นแก่เรามากเป็นพระก็ทำได้เป็นโยมก็ทำได้สร้างได้ทำได้เป็นบุญเมกตุศลของเราเป็นความดีของเราเป็นความสุขความเจริญของเราเพราะนั้นท่านึงไม่ให้ประมาทในการทาความดี ให้ตั้งใจพากันพิจารณาดูเกิดมาแล้วเราเอาสมบัติไปได้ไหมเราตายไปแล้วเราสมบัติไปด้วยไม่ได้เลยแม้เราจะมีมากมายกายกองขนาดไหนก็ตามเราจะร่ารวยขนาดไหนก็ตามทรัพย์สินสมบัติเป็นพันพันล้านแต่เวลาเรามีชีวิตอยู่จะทำบุญสักน้อยหนึ่งก็ทั้งยากทอดกระทิ้นทีก็ได้ สองแสนสามแสนบุดแรงแล้วแต่ว่าเงินอยู่ในตัวนะมีตั้งเป็นพันๆล้านแต่เวลาทำบุญน้อยนิดเดียวเศษเดียวส่วนเดียวแต่ว่าการใช้ใจ่ายทางอื่นก็ประหยัดเดียว่าประหยัดหรือพูดอย่างนึ่งว่าขี้ตนีว่ า, าเถอะ แต่ ว, ว่าเราตายไปแล้วเราก็ได้บุญที่สิทธิ์เศษที่เราไปทําไว้นั่นแหละในบุญน้อยๆ น, นั่นแหละในบุญเล็กๆน้อยสมบัติเป็นพันๆล้านไปอยู่ที่ไหนไหลูกก็ไม่มีมีแต่ลูกบุญธรรมก็ไปอยู่กับลูกบุญธรรมนั่นแหละในคนละร้อยหกสิบล้านสี่คนลูกบุญธรรมสี่คน อันนี้ก็ไม่ออกชื่อแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเป็นคนมีเงินมากแต่การทำบุญก็มีอยู่แต่ว่าเป็นส่วนน้อยเองินที่เหลืออยู่ตั้งเป็นหลายหลายล้อยล้านหลายหลายพันล้านเน่ตกเป็นของลูกบุญธรรมหมดเลย ลูกบุญธรรมเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากเขาได้เสวยความสุขจากเงินจากทองที่แม่หามาได้แม่ตายไปแล้วก็ไม่ได้เอาสมบัติเหล่านั้นไปเลยตกเป็นของคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้ลําบากไม่ลําบากอะไรอะไรเลยเขากับมีเงินมีทองใช้อย่างสบาย แต่จะรู้จักทําบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้คนเหล่านั้น น, ะนั่นแหละแต่แม่ก็ทําอยู่หรอกแต่จะว่าไม่ทําเลยก็ไม่ได้ทําอยู่แต่ว่าทําน้อยไม่สมกับเงินเป็นคนมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ได้สมบัติแค่นั้นละไปเท่านั้นแหละมีที่ดีมากมายมีมหาวิายาลัย เป็นของตนเองมีอะไรต่างๆมีโรงเรียนมีที่เก็บเงินได้เยอะแต่ว่าทําบุญไว้น้อยทําบุญไว้ไม่มากก็เสียใจภายหลังคนเดี๋ยวนั้นก็เสียใจภายหลังนี่แหละมีเงินมีทองมากแต่ไม่รู้อยากทำบุญนำบุญส่วนนี้ให้กับตนเองที่ทําไว้ก็ เป็นส่วนของตัเองที่ไม่ได้ทำไว้มันกลับเป็นของลูกหลานตกทอดกันไปต่อไปถ้าเราฉลาดเราคิดเราเราทำดีเราทำตรงนั้นตรงนี้ทาบุญทากุศลถาวายวัดว่าลามสร้างวัดสร้างวาหรือว่าทำกุฏิวิหารทาโตกทานลงบริจาคอะไรต่างๆส่วนนั้นส่วนนี้ถ้าเราเาถ้าเขาคิดได้อย่างนี้เขา คงจะไม่ทิ้งเงินไว้เป็นร้อยรอยล้านพันพันล้านแต่นี่ทิ้งไว้เป็นพันพันล้านมีแต่ลู ก, กได้เงินได้ไปรักษาเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำบุญทำกุศลหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็นการบอกกล่าวให้ลูกศิษลูกหาผู้ปฏิบัตินี่แหละ ให้รู้จักทําบุญทํากุศลไว้มีน้อยทําน้อยมีมากทากํมามากมีศรัทธามากทํามากอย่าประมาทเพราะว่าบุญเท่านั้นจะทําให้เราถึงความสุขความเจริญถ้าเราไม่ได้ทําบุญไว้เราไม่ถึงความสุขความเจริญหรอกเราอยากไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีบุญไม่มีบุญนีิกุศลไม่มีวาสนาบรารมี จะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะไปพมทธโลกก็ไม่ได้จะไปพระนิพพานก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทาบุญไว้ก็ต้องไปสัวใบยภูมิตกทุกข์กระยากลําบากลําบนเป็นอย่างนั้นขอให้คิดดูพิจารณาดูอัตมาเทศด้วยเล่าด้วยเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อเป็นข้อ ที่เคาะเตือนใจเราว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องรีบเร่งสร้างบุญทานการกุศลให้กับตัวเองอย่าประมาทอย่าประมาทในการทำบุญเพราะวัยและชีวิตของคนเป็นของไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ในโลกนี้ไม่มีคนที่มีอายุสองพันปีเลย มีอายุร้อยปีเท่านั้นเองก็ไปแล้วเราจะได้อะไรในโลกนี้ถ้าไม่ทาความดีเอาไว้เราจะได้บุญได้กุศลอะไรเป็นไปในสัมภาร ย, ยาภพแม้เราจะได้คุณธรรมบ้างคุณธรรมก็รักษาเราอยู่แต่ว่าเราก็ต้องสร้างความดีเอาไว้เพืจะไม่ขาดไม่สนไม่ระบาลํำบล หนึ่จะมั่งมีสีสุขหนึอจะถึงความสุขความเจริญได้เพราะฉะนั้นให้พิจารณาไว้ให้ดีอย่าประมาทในการทำความดี